คือหมาโพธิโลกคือดินน้ำไฟลมสีกิรโรชาธาต์ให้อวิณิพธ์รูปแปดเป็นที่ตั้งของจักขคูประสาทมาด้วยและให้ชีวิตตรูปมากำกับไปด้วยเลยรวมเป็นจักขคูท่าศักกราบกราบที่มีจํานวนรูปสิบเห็นไหมบอกโอนี้ทุกและในกลุ่มทุกเหล่าเนี้ยสมุไทยอ่ะคือตันหาผลิตมาให้ตันหาที่จะเชื่อมผลิตมาให้ตันหาบวกกับกรรมเนะี่ยมีกรรมเป็นสหายมีอวิชชาเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวกำกับอยู่เบื้องหลังเป็นตัว เป็นผู้มับใหญ่ใช่ไหมบอกว่าเอานี้ยเอาไปใช่มั่นนะสัตว์โลกทั้งหลายนี่ชอบตาดีนักเอาตาไปเลยใช่ไหมปิดไม่เห็นถ้าไม่เห็นสัจจความจริงเพราะไม่เห็นสัจจความจริงเอวิชาความมืดบอดปิดใช่ไหมตัณหาก็ชอบใจไหมกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ทํากรรมถ้าอกุศลกรรมก็ได้ตาของบะยสัตว์ถ้าเออถ้ากุศลกรรมเขาค่ได้ตาของมนุษย์หรือเทวดาใช่ไหมเอกุศลกรรมก็ได้ตาของบ่าวบะยสัตว์ไปอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็ได้ตามันหนึ่งก้อน พร้อมทั้งจักรุปคส菩萨พร้อมกับสสัมภาระจักรคูก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่เท่ากันเนี่ยัไม่ได้มาหนึ่งลูกแล้วก็เพิ่มอีกลูกเป็นสองลูกได้ตาคนละสองลูกแล้วแหมทุกไหมที่เห็นอย่างเงี้ยถ้าเห็นอะไรออกมาเงี้ยโอโ้โหเป็นทุกเลยใช่ไหมถ้าไม่เห็นจริงๆก็ไปแค่ไปแกะดูใช่ไหมในโรงพยาบาลให้เคาดูหน่อยทีว่ามันจะได้เห็น อ้าจริงๆนะต้องไปวิจั ย, ยงั้นนะไปควักออกมาดูเลยออนนี้เองได้หนึ่งลูกบาเงี้ยไอหนึ่งลูกเหล่านี้ประกอบไปด้วยเกิดจากกรรมจิตอุตวหารเป็นตัวเราเนี่ยนะสะสมภาราจักรโหใหญ่โตมากนี่นะเห็นโอ้โหนี่เองนี่เองตันหาหมอบมาให้ควักดูแล้วไม่มีอะไรเลยมีเส้นสายระโยองในใยเต็มไปหมดเลยอย่างอย่างจอคอมพิวเตอร์อย่างก็สายใยวิทยุเองนะบอเชื่อมสายอะไรต่างๆยงยงใ ย, ยไปหมดเลยอ่ะ แล้วบอกโอ้โหพิรุกต์กือขนาดนี้เลยนะพิจารณานีทุกอย่างนี้เห็นไหมถ้าวิจัยยเงี้ยมันชัดโอ้ตันหาบวกกรรมในอดีตแล้วก็มีวิชาคอยคอนโทรนอยู่คอยกํากับอยู่อยู่เบื้องหลังสัตว์โลกไม่เห็นทุกข์กษัตริย์ไม่รอบโลกในทุกข์กษัตริย์เห็นเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ทุกข์แบบชาวบ้านเห็นแล้วสิแต่ไม่เคยเชื่อมโยงไปเจอสมุทยัยคือเหตุของตันหาได้ท่องกันได้หมดแล้วสมุทัยเป็นเหตุ ข, ของทุกข์ แต่เชื่อมโยงคิดไม่ได้ต้องมานั่งวิจัยแค่แ ก, เก่เก่าเงี้ยเออคิดได้เดี๋ยวนี้ยเอาเริ่มคิดได้ไหมถ้าแค่ขนาดเนี้หมายถ้าคิดไม่ได้เป็นเรื่องน่าคิดใช่ไหมถ้าขนาดนี้เราคิดไม่ได้น่ากลัวไหมล่ะเห็นทุกเมงเงี้ยเออนี่ยังปรารถนาตาอยอีกไหมเอาที่ไปดูตากบตาเขียดนี่ไหมเออไปดูตาช้างไปดูตาของพวกหมาวัวควายเป็นต้นอย่างเงี้นะหมูแพะแกะ ไปดูสิเนี่นั่นแหละทุกข์กษัตริย์พอเห็นตาปุ๊บมีตาใครมองมาปุ๊บเราจะได้เข้าใจวันนี้ทุกข์นี่ชัดเลยตรงนี้เป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ยังไงเป็นที่ตั้งตัณหา ย, ยัางไงเป็นต้นนะไหมตัณหาที่สร้างตาเป็นยังไงต่อไปเริ่มเข้าใจบวกกรรมยังไงมีวิชาหมุนเนื่องอยังไงนี่เห็นแล้วเขาเห็นอย่างนี้ต้องไ่ถามนักจเจริญนิพพานาเห็นแบบนี้ไหมล่ะถ้าไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วตัณหาจะสะดุ้งเหลือเทือนไหมถ้าใช่ใช่ไหม เขาต้องเห็นเราเห็นมากกว่านี้ด้วยอันนี้ที่พูดมานี่เศษหนึ่งส่วนไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านที่เขาเห็นนะ่ฟาริยะทั้งหลายท่านเห็นมากกว่านี้ท่านเห็นทะลุทะลวงนะ่ะเห็นจนท่านเบื่อนหน่ายเหมือนเอาอะไรมุขแขวนตัวท่านเะยงละยใหไปหมดนะขนาดนั้นนะ่ะอะไรกันไม่รู้แขวนในตัวท่านลเลยงลายายอยให่อ่ะเหมือนท่านภาษาริบเวดบอกโอโ้อย่างเอาซากสุ น, นักเน่าแขวนคอขัน้นท่านอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนสตรีชอบแต่งเนื้อแต่งตัวใช่ไหม ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวมากวันดีคืนดีเอาซากคือนักเน่ามาแขวนคอมัดติดเขาไว้แกะออกก็ไม่ได้ท่านจะอึอดอัดอิดหนาหละอาใจขนาดไหนขนาดนั้ น, นลองลองเราอุปมาเนี้ไปคิดดูดิมันต้องเห็นล ะ, ะยงละใหญ่จริงจิงเห็นวนความเป็นล ะ, ะยงละใหญ่หน้ารังเกียจโนไปที่ไหนใช่ไหมถ้ามีใครมาชื่นชมสรีร่าท่านท่านสลดสังเวชขนาดหนักเลย นึกโอ้โหรันทดใจเลยสัตว์โลกที่บอดมืดมิดเนี่ยนะเราก็เคยบอดมืดมิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะเนี่นต้องวิจัยอย่างนั้นในบรรดาผู้ใช้ปัญญาในการเจริญวิปัสนาทั้งหลายต้องวิจัยแบบนี้ถ้าวิจัยอย่างนี้ตัณหาหมดที่พึ่งใช่ไหมปัญญาปัญญาก็เข้ามาวิจัยแล้วแต่เนี้ยเริ่มเกิดความมั่นใจอา้าวถ้าเราวิจัยแค่แค่แบบเนี้ยแค่นั่งสนทนากันแบบนี้เราเห็นไหมละอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้เข้าใจไหม ใช่ไหมความเข้าใจเริ่มชัดนะเข้านะเข้าเนี่ยโอ้โหเราจะไปเจอเด็กสักคนแล้วตางามเนี่ยไหวไหมทีเนี้ยยัง ไ, ไม่งามซะแล้วเห็นลูกตาก็โอ้โหก็สะท้อนหนึงตาที่เรากําลังแบกอยู่บริหารอยู่ดูแลอยู่แล้วก็มองไปถึงตาภายนอกเยอะแยะหมดตาภายในก็ใช่ไหมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพระเจ้าบอกมาตั้งนั้นเราก็ไม่เคยเสื่องเสื่อม น, นะตานี่แหละคือกายภายใน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 โอ้ยชอบงามงามเหลือเกินตาก็ลึกลักลึกลักอย่ลองคิดดูนะมันงามอยากจะดูอ่ะถ้าโกรธขึ้นมาก็ทะลึงมองแข็งทื่อเลยนะเนี่ยลองคิดดูทีนี่โอ้โหตาเรานี่ยวิ่งตามราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชายิริกะอนุตบูทัตเจะาโอ้โหตายน้าพวงยิงเนี่ยตัณหาก็ประกอบเเสร็จนั้นสร้างกรรมเรียบร้อยโอ้โหปรุงแต่งอย่างละเอียดยิบเลยนี่ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนน่ะ คอยกระตุ้นเตือนให้ปรุงแต่งตาวิจิตอย่างมากเลยนะที่เราสร้างกรรมกังเข้าไว้เดี๋ยคิดดูที่บางทีะโทรศัพมาเสริมให้หน่อยไว้ตรงนี้ไม่ค่อยวิจิตเดี๋ยวเราช่วยวิวิเสริมให้หน่อยว่ามันนะเสริมตาให้วิจิตหน่อยไอ้มาณนะเข้ามาเฮ้ยต้อตงฆ่านี่วิวิจิตกว่าอย่างเนี้ยเล่นซะจนหน้า ท, ทุรักทุเลเลยว่างั้นเด้อแล้วบอกโอ้โหจิตนี่วิจิตมาก ม, มันหลอกนะนะมันหลอก แล้วมันก็ทำให้เราได้อะไรก็มีร้โอ้แล้วหนักเข้าหนักเข้าก็พอมันไปเหมือนเหมือนกันหน่อยก็เลยดูงามเหมือนกันมันไปเหมือนกันนะจริงๆเราใช่ไหอถ้าเปรตไปอยู่กลุ่มเปรตมันก็ยังยังมันยมว่าเองสวยเองงามอยู่นะพวกเปรตเนี่ยมนุษย์อยู่กลุ่มมนุษย์ปัจจันแต่ชนบทเลยพวกมัจฉิมประเทศเลยอะไรเนี่ยนะในสังคมนะก็ลังเกียจกันได้โคตรใช่ไ เพไม่มีวิชาไม่มีมุตตเน่ยไม่มีเจรณะไม่มีวิชากำลังเกียดกันงั้นแหละในบรรดาศาสตร์ทั้งหลายที่นั่นด้วยกิเลสทั้งหลายก็จะเนี่ยโอ้โหการไม่เห็นคุณของสัมมาสัมพุทโธดินน่ารังเกียจนองเคยไปนั่งวิจัยแบบนี้ไหมยอมดิมเคยไหมล่ะน่ะอ้าวเคยไหมที่เรียนๆมาเคยไปนั่งวิจัยขนาดนี้ไหมเห็ น, น, นไหมนั้นต้องวิจัยต้องวิจัยอย่างนั้นจริง อย่าแปลกใจนะที่เขาวิจัยอย่างนี้แล้วเขาอิดหนาละอาใจเหลือเกินนี่อิดหนาละอาใจา ก, ก็นั้นเป็นกิจที่เราจะต้องทําตามที่พุทธเจ้าเราต้องไปต่อยอดวิจัยให้ได้ตรงนี้เนี่ยทีนี้นี่เกลียดตันหาเก่าเนาะตันหาเก่านะเป็นเหตุเขาบอกว่าไอความวิจิตเนี่ยตันหาเป็นเหตุเป็นประธานแห่งความความวิจิตแห่งทุกข์ด้วยทุกข์นี่โอ้ยตันหาเนี่วิจิตมากนะ เห็นสังเกต ด, ดูนะเวลาเราประดิษฐ์ประดอยอะไรเนี่ยเวลาเราจะโกรธเออเวลาเราจะโลภจะอะไรต่างต่างนี้เวลาตัณหามันเกิดมันคิดละเอียดยิบมันวิจิตมากใช่ไหมเอาอยอาในเวดาวพวกปรุงแต่งตัณหากันทั้งหลายเนี่ยทำวิจิตไหมอ่ะสําเร็จหมดแล้วเรียบร้อยโดยสํานวนก็บอกว่านัน่นแหะกรรมสําเร็จแล้วมันมันบวกกับ ก, บกรรมเนาะเป็นเหตุแห่หงความวิจิตแห่งกรรม ตัณหาวิจิตกรรมวิจิตสัญญาวิจิตตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตกรรมวิจิตนะกรรมวิจิตการกระทาวิจิตนะการกระทําวิจิตขึ้นมาวิบากคือผลได้รับก็วิจิตโอ้โหเห็นไหมทั้งทั้งทั้งศึกษามาเนี่ยแต่เราไม่ไอสําคัญที่มันทําไปแล้วไอมันทําไปแล้วไอที่จะทําใหม่นี่ก็ถ้ายังมีสติสัมปชัญญะก็น่าจะระมัดระวังกันหน่อยไอที่ทําไปแล้ว แล้วก็ยังประชุมมักไม่ได้สักมักเลยเนยแล้วจะว่ายังไงท่านผู้มีหนี้กันทั้งหลายเนี่ ย, ยดิฉันจะไปตามกรรมของดิฉันแล้วเราก็ยังมาบอกว่ายถา